บิสม um ah uh. ิลลาฮิ р rahman р r الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเจริญเจ้าละ ได้โปรดประสบเด็ พ, พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาทับเียในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมทุกท่านตอนนี้นะครับเราขึ้นซูร์ใหม่แล้วนะครับจริงๆขึ้นัแต่ในสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์ยัสได้สอนไปซูร์พูนะครับ ข้อที่แล้วไปสีอ่อายะายะที่หนึ่งถึงอายะที่สี่นะวันนี้อีกสามอายะนะครับอายะที่ห้าถึงอายะที่เจ็ดสุราพูดมีทั้งหมดหนึ่งรอยยี่สบสาอยะอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับเป็นสุรามักกียะก็คือถูกประทานที่ถูกประทานก่อนการอพยพ บางคนทียามว่าสุรอมักกีะถูกประทานที่มักกะมัดินะถูกประทานที่มัดินกะก็แล้วแต่นะครับบางคอธิบายข้อบคุมกว่าก็คือว่าถ้าก่อนอพยยเรียกว่ามักกีะหลังอพยยเรียกว่ามัดนยียะไม่ได้ใช้เกณฑ์สถานที่แต่ว่าใช้เกณฑ์ของเวลาแทนชื่อสุร์สุรภูษณ์หนึ่งพี่น้องเป็นชื่อของนบีท่านหนึ่ง จริงๆพี่น้องก็เคยฟังประวัติตรงนี้ผ่านมาแล้วในสุรากาณ์ก่อนหน้านี้นะครับท่านน บ, บีฮุดอะลัยซ์สลามเนี่ยถูกส่งมาที่ประชาชานของท่านก็คือก็คือกลุ่มชนอาจนะเป็นกลุ่มชนแรกๆเลยพี่น้องหลังจากที่น้ำท่วมโลกสมัยน บ, บีนัวแล้วก็ก่ อ, กอรสร้างตัวจนกระทั่งถึงว่าขั้นที่ว่ามีวัฒนธรรมคือตอนที่น้าท่วมโลกเสร็จน บ, บีน้อง คนเนี่เหลือเฉพาะในบีนวครอบครัวแล้วก็ผู้ศรัทธาเหลือไม่เยอะแล้วก็กระจายกันไปเดินทางแยาๆกันไปบนหน้าพื้นแผ่นดินก็มีลูกมีหลานกันนะครับสาบ้านสั้งเมืองกันกันแล้วแต่วิวัฒนาการน่ะพัฒนาสังคมไปแต่ว่ากลุ่มชนซึ่งสามารถรวมตัวกันเข้มแข็งแล้วก็มีอารยธรรมของตัวเองเนี่ยถึงขั้นซีวิไลซ์เนี่ยก็คือกลุ่มชนอาร ของอนน บ, บีฮุดอะลัยสลาฟนะครับอันนี้พื้นฐานนะเราให้ฟังเพราะว่าชื่อซุร้อนในวันนี้มันชื่อซุร้อนฮุดเนื้อหาเกี่ยวกับน บ, บีฮุดบบมันมีไหมนะครับมีไม่เยอะมีประมาณ10อายาอายาที่50ถึงอายาที่60นะในกุอานเนี่ยเวลาพูดถึงเช่นซุร้อนยูนุสเหมือนที่เราผ่านไปแล้วไม่เดาหมายความว่าเนื้อหามีเฉพาะนบียูนุสยูนุสอย่างเดียวไม่ใช่ นะหรือว่าชื่อสว่าอะไรสุลนัวไม่ได้มีอย่างอื่นเลยมีแต่น บ, บีนัวหย่งเดียวใช่ไหมไม่ใช่นั่นไม่ใช่ลักษณะคเร ว, วสำนวนของคุาารานคุรานเวลานำเสนอเนีพี่น้องจะแทรกส่วนต่างๆเข้าไปเช่นเล่าถึงประวัติน บ, บียูนุสแทรกการศรัทธาเข้าไปอา้าวกลับมาที่ประวัติ แทรกผูกรมการปฏิบัติเอากลับมาที่ประวัติและก็แทรกแง่คิดลักษณะสําสนวนของตัวอ่านเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นหนังสือในปัจจุบันในพี่น้องเช่นเราจะอ่านเรื่องการล้างมือก็จะไม่พูดเรื่องอื่นถ้าชื่อเรื่องการล้างมือมันก็ล้างมืออย่างเดียวไม่พูดเรื่องอื่นแต่กัวอ่านสำนวนไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันก็มีทิกมากของมันนะพี่น้องว่าหลังจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะเอากลับมาที่เนื้อหาทั้งสินในวันนี้นะครับ อายะที่ซุรฮูตนะครับอายะที่ห้าอายะที่หกแล้วก็อายะที่เจ็ดวันนี้สามอายะมีหลายประเด็นเหมือนกันน่าสนใจในอายะที่ห้าครับอลัลลอฮฺตรัสไว้ว่าอาลาอินนาหุมยัสนูน่าซูดูฮุมผมจะแปลคร่าวๆก่อนอัลลอฮบอกว่าจงทราบเถิดนะครับพวกเขาจะทำไมเอ่ย ปิดบังความลับเอาไว้ในหัว อ, อกสุดุตะหว่าหัว อ, อกก็คือมีความลับเก็บไว้ในใจของพวกเขาเลียสลียสตักฟูมินฮูเพื่อที่จะทำไมเอย่ยซ่อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยจากอัลลอฮ์ได้อายะตัวนี้ถูกประทานก่อนการอพยพนะครับพวกมุชริกบางคนนะทำไมเอย่ยต่อหน้าท่านอบีทํทำดี แต่ว่าลับหลังมีความเป็นศัตรูต่ออิสลามคนเหล่านี้คิดว่าถ้าเก็บไว้ในใจก็จะไม่มีใครทราบรวมไปถึงอัลลอฮ์ด้วยอัลลอ์ก็ไม่น่าทราบอะไรที่อยู่ในใจไม่แสดงออกใครจะมาทราบมีแต่ตัวเราที่ทราบอัลลอ์ก็ไม่น่าจะทราบดังพวกเขาคิดแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่า อาลาฮีนยักตักชูนะเสบะคุมยักตักชูนมาช้ามอิชาอิชาไปว่าปกคุมเหมือนกับเอาเสื้อเนี่ยมาปกคุมก็คือเอาอะไรมาปิดแล้วเนี่ยนะครับทําไมเอ่ยอัลลอฮ์ก็จะไม่ทราบแต่อลาาาัลลอฮ์บอกว่ายะละมุมาอยู่ทีรูนวามายุอันนีนูนต่อให้ปกปิดเอาไว้ในใจ หรือว่าเอาสิ่งใดมาปิดมาทับไว้เหมือนอภาามาปิดไว้มาคุมไว้เนี่ยยะละมูมาอยู่ซิรู้นะว่ามายยริณู น, นอัลลอ์บอกว่าอัลลอฮ์ทราบในสิ่งที่พวกเขานั้นทำไมเอ่ยอยู่ซิรู้นปกปิดซ่อนไว้ว่มายยริณู น, นแล้วก็สิ่งที่เปิดเผยยังไงก็ปิดจะอัลลอ์ไม่ได้อินน้าฮูอาลีมุน อ๋อเราเป็นผู้ที่อาลีมเป็นผู้ที่รอบรู้บิดาทิ่สุดในสิ่งที่อยู่ในหัวอกสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่เก็บไว้อันนี้คือความหมายคร่าวๆของอายาที่ห้าในสุราพูดมาดูในเชิงตัรซีตกันพี่น้องในอายานี้เนี่ยกล่าวสองประเด็นนะครับประเด็นลหลักคือหนึ่งอธิบายพฤติกรรมของคนประเภทหนึ่งไม่ใช่ปุสธา คนเหล่านี้มีความคิดที่ว่าต่อให้อัลลอฮ์มีจริงต่อให้พระผู้เป็นเจ้ามีจริงพวกเขาก็มีความสามารถที่จะทําอะไรบางอย่างคิดอะไรบางอย่างพูดอะไรบางอย่างแล้วก็เก็บไว้ต่อให้อัลลอฮ์มีจริงพระเจ้ามีจริงก็ไม่สามารถจะทราบได้กุณอ่านอธิบายว่ามีคนประเภทนี้อยู่ในสังคม นะอันนั้นคือประการที่หนึ่งก็อ่านเล่าให้ฟังประการที่สองในอายาน่นี้อธิบายถึงหลักศรัทธาอย่าเป็นเตาฮีตเหมือนเดิมนะครับขากวก่อผมพูดไปว่าหลักศรัทธาของอิสลามเนี่ยมีลักษณะเฉพาะต้องศึกษาแล้วก็มีรายละเอียดเยอะหลักๆเนี่ยเขาใช้คําว่าเตาฮีตเตาฮีตประวัติธรรมมัเป็นหนึ่งทำให้เป็นหนึ่งในหลายๆด้านพระเจ้าต้องมีหนึ่ง การเคารพักดีการอิบาร์ดการกราบไหว้ก็ต้องหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้อะไรเลยก็ผู้ที่ดนบันดาลก็มีแค่หนึ่งก็คืออัลลอฮ์นะทุกอย่างเนี่เป็นเป็นหนึ่งหมดซึ่งมีรายละเอียดเขาก็แบ่งประเภทตาฮวเดเป็นประเภทกี่ประเภทนะครับตบูบียาอูลูฮียาอัสมาวสิฟาตก็มีประเภทแบ่งไป ในอายานี้เนี่ยพูดถึงประเด็นไหนครับของหลักศรัทธาในอายานี้พูดถึงคุณลักษณะของอัลลอ์อัลลอฮ์เราไปฟังว่าพวกเขาจะซ่อนจะเก็บยังไงกันแล้วแต่แต่อัลลอฮ์ทราบแล้วก็ปิดท้ายอายัที่ว่าอินนูอาลีมุนคำว่าอาลีมเนี่ยพี่น้องเป็นเป็นพระนามของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นคุณลักษณะด้วย เวลาที่รา่านก็อ่านเจอคําว่าอาลีมอันอาลีมว้วอาลีมุสเมียอะไรทํานองเนี้ยนะครับตรงนั้นหมายถึงอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ชื่ออัลลอฮ์โดยตรงแต่ว่าเป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์แต่ใครมีคุรานหัวใหญ่เนี่ยพี่น้องเวลาเปิดแปลจะเป็นกลมๆแบบที่พิมพ์ทินเดียใช่ไหมก็มีชื่ออัลลอฮ์อัลสเมียอันโอะฟูดอะไรใน99พระนามที่ว่ากันเนี่ยนะครับอันอาลีมก็เป็นเป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์คราวนี้ ในหลัการศรัทธาเนี่ยเราไม่ได้มองว่าอัลอฮลีมที่แปลว่าผู้ที่รู้อย่างยิ่งรอบรู้รู้ทุกอย่างทราบทุกอย่างเนี่ยเป็นแค่ชื่อเฉยแต่ว่าเป็นลักษณะด้วยหมายความว่าอัลลอฮ์นอกจากมีพระนามที่แปลว่ารอบรู้แล้วยังมีลักษณะที่รอบรู้จริงๆก็ ถ, ถึงตั้งชื่อว่าอัสมาวะซีฟาตเตาทิตประเภทนี้คือพระนามและก็คุณลักษณะ ถ้าเป็นมนุษย์ต่างกันเช่นคนชื่อสมชายชื่อคื อ, อไอัสมาคือสมชายแต่สีฟ้าลาักษณะอาจจะไม่ใช่สมชายชาติอาจจะเป็นเป็นแต้วก็ได้มีไม่มีแต่วชื่อสมชายมีไหมมีเอาผู้หญิงชื่อสมหญิงชื่อคืออัสมาคือสมหญิงแต่สีฟ้าไม่หญิงเท่าไหรห้าวสมมุตินะครับอันนี้ไม่ได้ดูถูกเรื่องเพศศีลสามอะไรกันให้เห็นว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนามกับลักษณะาบางทีไม่เดียไปเดียกัน อ่าแต่ว่าอลัลลอฮฺวรลกาถึงพระนามของลอในกุกขานแล้วถ้าบาอกว่าอาลีมรอบรู้เนี่ยอลัลลอฮ์ก็มีลักษณะแบบนั้นจริงๆอันนี้คุณฟังทำไมถึงก็ตั้งชื่อว่าเตาหิตอัสมาวสิฟาตเป็นพระนามด้วยแล้วคุณลักษณะก็เป็นอย่างนั้นด้วยคราวนี้ลักษณะของลอเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับบางทีเ อ, ล, อ, อลักษณะของลอบางทีเราก็มีเหมือนกันเช่นอัลลอฮฺบะวะซ์เมีย ผู้ทรงได้ยินทรงได้ยินฉันก็ได้ยินกันแต่ว่าฉันเหมือนกับพระเจ้าใช่ไหมอ้าวประเด็นแบบนี้มีหรือว่าบาซิบาลซีแปลว่ามองเห็นอลัลลอฮ์มองเห็นฉันก็มองเห็นแล้วต่างกันยังไงข้อแตกต่างก็คือลักษณะของละมันมีความสมบูรณ์แต่ลักษณะของมนุษย์มันไม่สมบูรณ์เช่นได้ยินมนุษย์นี่ได้ยินไหมได้ยิน แต่ถ้าพี่น้องสุบซิบกันหลังผมเนี่ยห่างไปสัสิบเมตรผมไม่ได้ยินแล้วก็คือลักษณะาการได้ยินของผมเนี่ยมีเหมือนกนันนะแต่ว่ามีความบกพร่องไม่สมบูรณ์พี่น้องนั่มอเตอไซค์ปปากซอยแล้วตะโกนด่าผมที่ปากซอยผมได้ยินไหมไม่ได้ยินผมได้ยินในขอบเขตที่จํากัดพูดตรงนี้ประมาณสเมตรเนี่ยผมได้ยินมันต้องพูดเบามากนะพูดเสียกลางๆนี่ผมได้ยินนั่นคือข้อจํากัดของผม ผมไม่ได้เหมือนกับพระเจ้าพี่นอ้องมนุษย์ไม่ได้เหมือนกันแล้วเพราะว่าลักษณะที่อลัลลอฮ์ให้มาเนี่ยทำไมเอ่ยมีข้อจากัดเป็นลักษณะที่ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าอลัลลอฮ์สัมย์เนี่ยแปลว่าแต่ยินหมดอย่างสมบูรณ์จะไปพูดจะกระซิบจะไปมุมไหนก็แล้วแต่อลัลลอฮ์ได้ยินทั้งหมดที่ว่าแอ บ, บนินทากันเนี่ยอลัลลอฮ์ทราบอลัลลอฮ์ทราบได้ไง ล, ะล่ะอัลลอฮ์สัมย์ไงอลัลลอฮ์เป็นผู้ที่ได้ยินวงเล็บได้ยินอย่างสมบูรณ์มันเป็นแบบนี้อันบาซิบก็เช่นเดียวกัน เห็นผมก็เห็นอ๋อๆก็เห็นเท่ากันใช่ไหมไม่เท่ากันพี่น้องไปยืนหลังเสาเนะี่ยผมไม่เห็นแล้วไปยืน้านหลังผมที่จบเลยยืนกันหลังผมแล้วก็ย e ิ้มหรือว่าชูสองนิ้วสามนิ้วผมไม่สักแปลว่าการเห็นของผมมันมีรัศมีที่จํากัดไอ้ข้างก็ไม่เห็นนะแล้วมันมีประมาณเนี่ยถ้ากาวเสียผมสาก็ไม่เห็นแล้วข้างๆแบบเนี้ยเห็นแค่นี้แล้วก็ข้อแม้ด้วยนะห้ามมีอะไรมาบางัง ถ้าบางปุ๊บไม่เห็นมีข้อจํากัดหรือว่าอยู่ตรงนี้รล้มีตรงนี้แต่ว่าไกลเกินไปพี่น้องชูป้ายกไกข่ขอไขรผมการไม่ออกเอาร้อยเห็นผมก็เห็นแต่เท่ากันไม่ไมเท่ากันเพราะว่าลักษณะาการเห็นของมนุษย์มีมีข้อบกพร่องอันนี้อธิบายให้ฟังข้าวๆนะครับเช่นเดียวกันในส่วนนี้เนี่ยในอายันนี้พูดถึงคําว่าอาลีมเป็นผู้ที่รอบรู้ความรู้ผมก็มีนะ ผมที่จบกนสอนอนนพี่น้องไม่อยากจะคุยมีความรู้เหมือนกันแต่รู้ทุกอย่างไหมรู้ไหมทุกอย่างถามสูตรปรุงอาหารตอบไม่ได้ถามอะไรที่มาลึกลึกตอบทำไมตอบไม่ได้ผมก็มีศาสนาเอ็ดมูลเหมือนกันศึกษามาเหมือนกันแต่ว่าทําไมละ่ะมีข้อจํากัดคนเก่งกว่าผมก็มีความรู้เหมือนกันแต่เขาก็มีข้อจํากัดไม่ทราบทุกอย่างในอาย่ยกตัวอย่างขึ้นมา คนที่มีความรู้คนที่ทราบเนี่ยนะไม่สามารถทราบในสิ่งที่อยู่ในใจได้พี่น้องคิดคือมาหนึ่งคำในใจเนี่ยให้ให้ผมทายทายไม่ถูกแต่อรรอะลีมขอรรเนี่ยทราบว่าพี่น้องคิดอะไรอยู่ในใจอ่าเข้าใจยังมีความต่างอรรร์ก็รู้ผมก็รู้พี่น้องก็รู้ตาต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าสิ่งที่เรามีมันไม่สมบูรณ์ลักษณะมันไม่สมบูรณ์แต่อลรร์เราสมบูรณ์ อบางคนอ่านเอออัลลอฮฺได้ยินฉันก็ได้ยินอัลลอฮฺเห็นฉันก็เห็นอัลลอฮฺพูดฉันก็พูดได้แล้วฉันก็บอลอฮก็เหมือนกันนสิมันไม่เหมือนกันความสมบูรณ์มันต่างกันนะครับในอายะนี้อัลลอฮฺทราบแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในหัวใจสิ่งที่อยู่ในหัวใจเนี่ยนะครับในอิสลามเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะมารุนกูลูปการงานที่ทําโดยหัวใจไได้บุญนะพี่น้องเช่น พี่น้องมีความหวังในความเมตตาขอหรขายของเลยพี่น้องคนที่ขายของเลยพี่น้องผมบอกให้มันที่ إ ي م านเนี่ยดีนะเพราะว่าตวั ก, กันคนพ่อปู่ก็ตะวะ ก, กันหม่อมหมายต่อหรอนะคนทํางานประจําเนี่ยมันที่ความตะวะ ก, กันสู่พ่อค้าแม่ค้าไม่ได้เพราะว่าสิ้นเดือนได้ชัวรื่นสามพันเจ็ด้อยห้าสิบบาทเงินเดือนมันชัวความรู้สึกอาจจะด้อยลงไปไม่ได้ว่าใครแต่พ่อค้าแม่ขายเนี่ยคนนี้ไปขายของขายส้มํา ทราบไหมวันนี้ได้กี่โคกไม่ทราบตะวะกันเนี่ยทําอาชีพแล้วก็มองหมายต่อลเลาะเจ่นเดียวกันคนพ่อปู่ปีนี้ได้ข้าวติดเวียนทามไหมไม่ทราบแต่ว่าลงมือทําล้วตะวะกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับครันนี้ยังไงล่ะลืมแล้วจะพูดประเด็นไหนคันนีเ้เดี๋ยวก่อนนะคันนี้สิ่งที่เราได้จากอาย่านี้ก็คือว่า เวลาที่ทําไมเอ่ยเราคิดอะไรอยู่ในใจอ่าเมื่อกี้พูดถึงอา ม, มารุณกุลุปขอมางอย่างเนี่ยคิดอยู่ในใจเป็นความรู้สึกอยู่ในใจแต่ว่าได้ผลบระเช่นหวังในความเมตตาขอร้องผมนี่เป็นคนสมมตินะไม่เคยท้อแท้ยากลําบากชีวิตยากลําบากติดหนี้สินแต่ไม่เคยท้อหวังว่าอัลลอฮฺเมตตาพอเราบอกอัลลอฮฺเมตตาอย่าสินหวังในความเมตตาขอร้องผมไม่สิ้นหวังจะขับแท็กซี่ขายของเก็บกระดาษขายทำเรื่อยไป ความแก่ความรู้สึกที่ว่าเราไม่สิ้นหวังในความเมตตาขอรอดเนี่ยถือเป็นอามาลุลกุลูเป็นการงานที่ทําโดยหัวใจได้ผลบุญพี่น้องคนที่ไม่สิ้นหวังในความเมตตาขอรอดได้ผลบุญแต่อยู่ในใจนี่คืออามาลุนกุลกูฉะนั้นการตอบแทนแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเจตานาตัดสินไม่ได้กฎหมายเอาผิดไม่ได้พี่น้องอยากจะฆ่าผมมีเจตนาจะฆ่าผ ม, มออกฎหมายเอาผิดไม่ได้ อาผิดต่อเมื่อลงมือแล้วฉะนั้นการตอบแทนของมนุษย์เนี่ยก็คือทําไมล่ะอยู่ในตัวการการะทําที่แสดงออกมาแล้วแต่ว่าอาลัลลอฮ์ทำไมเอ่ยความอิคลาสความเบิกบูชาใจหรืออะมาลุนกูลูปการงานที่ทําด้วยกับหัวใจเนี่ยอลัลลอฮ์ตอบแทนแล้วที่ก็บอกว่าเวาลาเนี่ยจะทําความดีนะพี่น้องเนี่ยนานได้บุญไปแล้วแล้วก็ไปทําได้บุญอีก แต่ทะเนียดแล้วว่าจะทําความดีจะเบิกจากทรัพย์สินแต่ถึงเวลาจะไปถึงงานมันศิจะยอดแลว้กบบวกระเป๋าสตังห์หายได้บุญไหมได้บุ ญ, ไ ด, บญได้บุญเจตนาไปแลว้วถ้ายอดตังค์ก็ได้บุญอีกถ้าไม่ยอดบุญหายไม่ไม่หายได้แต่เจตนาอาลัลลอฮ์ตอบแทนตรงนี้ได้เนี่ยเพราะาอาลัลลอฮ์มีลักษณะคืออาลีมทราบแม้กระทั่งว่าบิดาทิสูสรู้ทราบแม้กระทั่งว่าสิ่งที่อยู่ในหัวอกคนอื่นทําไม่ได้ อลัลลอ์ทำได้ถ้าอาลัลลอฮ์ทราบขนาดนี้แล้วนะครับพฤติกรรมของศัตรูอิสลามซึ่งบางทีก็เป็นมุนาฟิกต่อหน้ารักทันนาบีรับหลังหวามแผนฆ่าทันนาบีมีไหมมีต่อมาเป็นพันธมิตรกับมุสลิมรับหลังเอาข่าวไปบอกกับศัตรูมีไหมมีคนเหล่านี้คิดว่า ถ้าแอบทาแล้วก็วางแผนซ้อนไปซ่อนมาจนมัวหมัดกับสาวกซาบะมองไม่ออกเนี่ยอัลลอ์ก็มองไม่ออกอัลลอ์บอกในอยายะนี้ว่ายะละมูมาอยู่ซีรูน่าสิ่งที่พวกคุณซ่อนไว้ให้รับขนาดไหนก็นแล้วแต่อัลลอฮ์ทราบขวามายุรินูนและสิ่งที่ไม่ซ่อนที่เปิดเผยอัลลอฮ์ก็ะสาบถ้าไม่มีลักษณะแบบนี้นะพี่น้องเป็นพระเจ้าไม่ได้เช่น เราไปยกคนขึ้นมาเป็นพระเจ้าสมมุติมีความรอบรู้ไหมมีแต่ว่าบกพ่องรู้บางอย่างบางอย่างก็ไม่ทราบแบบนี้ถือว่าไม่ใช่พระเจ้าไม่นับกับพวกวัตถวัตถุนาแก้วจอมปง่งเออเรียกว่าจอมปวกอะไรเนี่ยนะครับถ้าไม่มีลักษณะความรอบรู้ตรงนี้พี่น้องเป็นพระเจ้าไม่ได้เพราะถยกขึ้นมาเป็นพระเจ้ามีปัญหาเลยและจะตอบแทนการงานของบ่าวยังไง ไม่รู้อะไรเลยแล้วคนทําดีคําทับชั่วเจตนาเป็นยังไงความอิคลาสของในใจเป็นยังไงไม่ทราบไม่เป็นเป็นเจ้าไม่ได้ตอบแทนให้กับบ่าวผู้ที่กระทำความดีไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องตรงนี้แหละเราสบายใจทุกครั้งที่มีความบริสุทใจโลกไม่ทราบแต่เ อ, ลอาล้อทราบคนในซอยมีแต่คนมองง่าง่ร้ายตลอดเลยสมัยหนุ่มๆเคยเสยเพตบบ้านหมดแล้วแต่ตอนทําชั่วคนเห็นตอนตอบัานคนไม่เห็น คนก็มองภายนอกแต่ว่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺทราบที่ภายในนะครับฉะนั้นความอิคลาสเจตนาที่บริสุทธิ์อะไรที่อยู่ในใจเนี่ยพี่น้องเขาเรียกว่ามันไม่สูญเสียมันไม่สูญเปล่ามันได้ผลบุญและคนอื่นไม่ทราบแต่ว่าอัลลอฮฺทราบนะครับฉะนั้นเวลาตัดสินผู้คนเนี่ยบางทีมองสิ่งที่เห็นแต่สิ่งที่อยู่ในเนี่ยอัลลอฮฺกับเขาเคีย่ยงกันแล้วตอบัดกันแล้วเราไม่ทราบนะวันนี้ของก็ทํามาสิบปี 11ปีแล้วยังด่าไม่หยุดเลยเขาตอบัอตรกอดลอดตั้งปีที่เจ็ดเจ็ดปีที่แล้วต่อบัตรกอดลอดไปแล้วเราไม่ทราบเรื่องของเขากอดลอดนะครับอ้าวคันนี้ในอายะที่ห้าพูดถึงลักษณะของล่อนะครับอัสมาวะซิฟาสผานามแล้วก็คุณลักษณะเราทราบลักษณะนหนึ่งแล้วก็ผานามหนึ่งก็คืออ า, อาลีมอัลลอฮ์มีชื่อแบบนั้นแล้วก็มีลักษณะแบบนั้นวงเล็บเป็นลักษณะแบบสมบูรณ์ด้วย ต่างกับลักษณะความรู้ที่เรามีกันเพียงขัดขากัน ห, หายในอายะที่หครับอเลสตรัสไว้ว่าวามามินดา บ, บัดินฟิดอาร์ตีไม่มีดาบบาดาบบาแปลว่าดาบบาสินแปลว่าคานดาบบาบาแปลว่ารถถังรถถังมันไม่ได้วิ่งพูดเนี่ยมันคานค่อยค่อคืบไปวามามินดา บ, บัดินไม่มีสัตว์ใดๆฟิดอาร์ตีบนหน้าแผ่นดิน อิลอลอัลลอฮิริสูฮาเว้นเสียแต่ปัจจัยยังชีพของมันนั้นทำไมเอย่ยมาจากอลัลลออันนี้ก็อธิบายถึงความเป็นเจ้าของอลัลลอด้วยเวลาอัลอลอเป็นเจ้าแปลว่าไงเป็นเจ้าเฉพาะมนุษย์ใช่ไหมแล้วสัตว์ก็ไม่เกี่ยวเพราะสัตว์มันไม่ขึ้นสวรรค์ไม่ตกนรก อโ ล, ล่ก็ปล่อยมันใช่ไหมไม่ใช่เว ล, ลาอโ ล, ล่เป็นเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ไม่งั้นจะมีปัญหาอโ ล, ล่สร้างเฉพาะมนุษย์ดูแลเฉพาะมนุษย์แล้วสรรัตว์ ล, ล่ะอ๋อสัตว์เป็นพระเจ้าองค์อื่นอ้าวก็ไม่ใช่เตาหีนแล้วพระเจ้ามีหลายองค์อโ ล, ล่เป็นเจ้าหมดเลยทั้งมนุษย์สร้างสินเออสัตว์พืชอะไรก็แล้วแต่ในจักรวาลนี้ในสากลโลกอโ ล, ล่เป็นเจ้าทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเป็นเจ้าแล้วเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ ทุกตัวในแผนดินที่โตขึ้นมาเนี่ยพี่น้องสัตว์นี้เยียกว่าคนนะสัตว์นี้เยอะกว่าค น, น, นเฉพาะพน้องทราบประวัติสัตว์ประเภทไหนมีจํานวนมากสุดในโลกแมลงอ่าใช่แค่แมลงอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องเอาสัตว์ทุกชนิดในโลกมารวมกันเนี่ยสู้กับแมลงธรรดาแมลงมเยอะกว่าถ้านับเป็นตัวน่ะหนึ่งตัวหนึ่งชีวิตเนี่ยสัตว์ที่มากขนาดนั้นเนี่ยเราอ บ, บอกว่า ไม่มีสัตว์ใดๆบนหน้าแผ่นดินเว้นแต่อลัลลอฮ์ปัจจัยอย่างชีท้ที่มันมีเนี่ยอลัลลอฮ์เป็นคนให้นี่คืออนุภาพของอัลลอฮ์นอกจากดูแลมนุษย์แล้วดูแลสัตว์ด้วยพี่น้องถ้าพี่น้องไปดูสารคดีของสัตว์เนี่ยโอ้พี่น้องทึ่งอลัลลอฮ์มีอำนาจจริงๆปาวานในพี่น้องตัวใหญ่มากทราบไมา ก, กินอะไรแผนแตน้นแผนต้นอีกตัวแบบซองไม่ค่อยเห็นเนี่ยพี่น้อง คือคนกินแท่งต้นอยังกินยังไม่อิ่มเลยละบาวารตัวขนั้นคุณกินอิ่มไม่ได้ไงอ้าวอันนี้คือปัจจัยยังชีพเรารอดจัดให้ระบวารมีตั้งกี่ตัวกินยังไงก็มันจะอิ่มก็คือถ้าเรามนุษย์เราไปดูเนี่ยมันมันมาสัจจานนะครับนอกจากนั้นของบางอย่างในพี่น้องวิถีชีวิตวงจรพืชวงจรสัตว์พีออน่น้องไปดูสิผู้ที่ให้ปัจจัยยังชีพมันได้ในพี่น้องเป็นผู้ที่มีอํานาจเป็นพระผูมิเป็นเจ้า เวลาดูแล้วมันที่อ إيمان เพิ่มขึ้นมนุษย์มันไม่ยากปัจจัยอาชีพผมคือข้าวคนอีสานก็กระเหนียวคนจีนคือก๋วยเตี๋ยวอิตาลีก็มักกะโรนีก็มันก็ชัดๆแต่ไปดูสัตว์โว้ันทีทึ่งเลยประวานตัวตั้งใหญ่กินของเล็กนิดเดียวแล้วมันจะอิ่มยังไงเนี่ยเล็กกว่าเม็ดข้าวอีกเอาล้อให้ปัจจัยยั่งชีพมีอะไรล่ะสัตว์ที่ว่าพฤตีชีพมันแปลกๆไปน้องไปดูเอราันมันเยอะแต่ให้ทราบว่าที่ดูที่เห็นกันเนี่ย ทำไมล่ะปัจจัยยังชีพทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์อันนั้นเฉพาะที่เห็นนะแล้วที่ไม่ทราบนีล่ล่ะโหเต็มไปหมดเลยนะครับอัลลอฮ์บอกว่านอกจากให้ปัจจัยยังชีพแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นต่อฮิปแบบหนึ่งเหมือนกันเป็นต่อฮิปฮามูบียะคือเวลาอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาแล้วนะพี่น้องมันจะสร้างปุ๊บแล้วก็ปล่อยนะสร้างแล้วดูแลด้วยสร้างแล้วดูแลด้วย ดูแลยังไงพี่น้องพี่น้องทราบป่ะตอนที่พี่น้องจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเอาล้อสร้างในครันเอาการสร้างแล้วก็เวลาออกมาเนี่ยมีการดูแลด้วยออกมาปุ๊บเจออากาศปับ๊บต่ก่อนใช้ร่วมกับมาสายสะดือมันติดกันมาออกมาปุ๊บสายสะดือตัดปับ๊บเอาไงจะตายเลยครับเอาล้อให้อากาศหายใจเด็กพอเกิดขึ้นมากินเลยก็ไปได้ทำยังไงล่ะเอาล้อให้แม่มันมีนม อันนี้คือการดูแลของล้อนะครับแล้วก็ก็ค่อยเติบโตนู่นนี่เอามีอาหารพอมีฟันกินนู่นได้กินนี่ได้นะครับมีที่อยู่อาศัยมีอากาศมีอาหารนี่คือการดูแลของอล้อหมดเลยถ้าล้อทําหน้าที่เฉพาะสร้างนะพี่น้องผมกับพี่น้องตายหมดแล้วคืออ้ลถ้าบอลรับผิดชอบเฉพาะสร้างนะออกมันจะท้องมะสายสะดือตัดไม่ได้นะตัดลตายถ้าล้อไม่เตรียมอากาศไว้ไม่เตรียงนมในเต้านมของมันดาไว้าตายพี่น้องผมกับพี่น้องตาย อลัลลอฮ์ทราบแล้วอลัลลอฮ์ก็ดูแลไม่ใช่เฉพาะมนุษย์สัตว์ด้วยอันนี้ยังไม่คุยลึกนาเรื่องมาสัจรยร์ของมนุษย์การสร้างการกำเนิดของเด็กเยอะแยะไปหมดให้ทราบว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านั้นอยู่ภายใต้กำหนดของอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์ตัต่อไปว่าอวยยะละมูมุสตกรห่ามุสต า, ด า, าอดะหอัลลอ์ทราบในมุสตกราะนะครับที่พำนัก มุสตาอัดะในภาษาไทยก็แปลว่าที่พักชั่วคราวแต่ในท็อซีดหลายท่านแปลว่าคันมุสตาดะแปลว่าฝาก mm hmm. เช่นเวลาที่เราไปฝากธนาคารเนี่ยมุสตาดะฝากแบบเตาเตี mm ้ย hmm. ฝากแบบอมซั์ฝากไว้เฉยไม่ได้ให้ตังแบงมานะฝากไว้เฉยถึงเวลามาถอนคืน ada, มุสตาดะบางคนบอกว่าเป็นที่พักชั่วคราว สัตว์หรือว่าคนเวลาออกมาเนี่ยจะมีที่พักผาวรแลชช้วก็ที่พักชั่วคราวที่พักชั่วคราวมุสตาอูดะเนี่ยบางคนแปลว่าเป็นคันถ้าเป็นคนก็อยู่ประมาณเก้าเดือนอยู่ชั่วคราวแล้วก็ออกมาถ้าเป็นสัตว์กันแล้วแต่เป็นแมวผมก็ไม่ไม่ทราบกันแต่สั้นกว่าคนแหละอยู่ชั่วคราวจากมุสตาอูดะแล้วก็ออกมาอยู่ที่มุสตากะรัมุสตกะกะรัก็คือที่พักถาวรนจะเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยบนหน้าแผ่นดินอะไรก็แล้วแต่ สิ่งเหล่านี้ทำไมเอ่ยเป็นเป็นสิ่งคืออัลลอฮ์ให้นอะอัลลอฮ์ดูแลด้วยปัจจัยยังชีพแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ที่อยู่อาศัยอ่าจจะเป็นปัจจัยสี่เนี่ยอาหารเครื่องนมหมที่อยู่อาศัยยาฆ่าโรคสองอยางเนี่ยอายาีิอัลลอฮ์กล่าวไปแล้วหนึ่งคืออาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัย ที่อาศัยที่อยู่จริงๆแล้วก็ที่อยู่อาศัยตอนที่เป็นทารกอยู่ในครรภ์อล่อเตรียมไว้ให้พี่น้องในท้องผู้หญิงเนี่ยท้องคนเป็นแม่เนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่ท้องธรรมดานะมันมีน้ําคั่มมีรกแล้วก็คือคกลไกมันพร้อมที่จะชีวิตหนึ่งโตขึ้นมาในท้องคนได้นเนี่พี่น้องมาสัจจั์มากอยู่ในท้องจะกินยังไงอล่อให้สายจะเดินติดต่อกันเด็กอยู่ในน้ําจะอยู่ยังไงล่ะอล่อให้น้ําคั่มมันก็มีกลไกของมันนะ นำข้ามช่วยกันกระแทกช่วยนุ่นช่วยนีแล้วก็มีคันมังดาแล้วก็วลาท้องเนี่ยให้อยู่ข้างหน้านะถ้าท้องข้างหลังเนี่ยดูแลยากคือทุกอย่างมันเหมาะหมดถ้าหญิงท้องข้างหลังเอา้าดูแลไงละ่ะดูแลไม่ได้อยู่ที่ท้องมันเหมาะทุกอย่างแล้วพี่น้องแล้วก็คลอดออกมามีามาข้อเอ้าพอคลอดออกมาก็กินนมกินนมก็อยู่ในห้องอ้อม อ, อกอีกทุกอย่างเนะลาสร้างมาลงตัวชั้นที่อยู่ที่อยู่อาศัยใน ในดุนยอนี้นะครับและก็ที่อยู่อาศัยตอนที่มุสตาดาที่อยู่ในคันมังดาไม่ใช่แค่ท้องธรรมดาไปน้องไปศึกษาเองแล้วกันนะครับดูยู u ูบเอาแล้วกันว่ามาสจั่น่างไหนเด็กที่ว่ามันโตขึ้นเนี่ยในท้องแล้วก็ใหญ่ใหๆ่ใ่ใหท้องก็ใหญ่ๆตามใหญ่ตามถึงเวลาแล้วถ้าใหญ่กว่านั้นแล้วอยู่ไม่ได้พี่น้องตายเอาร้อ้คลอดออกมาครบเวลาพอดีพะคอนออกมาบุบเลยมีกระดูกมีฟันมีผมเรียบร้อย ถ้าขอดอามากรไม่สมบูรณ์นะครับเด็ดเจ็เดือนก็ขอดออกมาก็แย่แล้วนะทุกอย่างเนี่ยอายาอาย่านิสุกว่ากุ้นลุนทําไมเอ่ยฟีกิตาบินมูบีนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยฟีกีตาบินมูบีนอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งผมกับพี่น้องเกิดขึ้นมาไม่ใช่โดยความบังเอิญ น, นะพี่น้องหน้าตาผมแบบนี้พี่น้องหน้าตาแบบนั้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่ว่าฟีกิตาบินมูบีน ผูบันทึกไว้เร็วจะคอดวันไหนเกิดมาหน้าตา อ, อย่างไงหนักกีก่กัมกี่กิโลคอดมาแล้วปัจจัยยังชีพเป็นยังไงบ้างอายุขายเป็นยังไงถูกกำหนดไว้แล้วทุยายูนกิตาเวนมูบีไม่มีความบังเอิญตรงนี้ก็ทำไมอธิบายถึงอำนาจของลอซึ่งมีความสมบูรณ์ เราหินมาฟูสนะครับก็คื อ, อคนถามเราหินมาฟูสก็คือทุกอย่างที่ถูกกาหนดเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เลยเราหินมาฟูสถ้าแปลตรงตัวแปลว่ากระดานที่ถูกบันทึกแต่ลักษณะมันไม่ใช่กระดานแบบเทียวคิดคนเราล้ำเราก็ไม่ทราบแต่ถูกบันทึกไว้หมดแล้วแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในอดีตปัจจุบันและที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหนีไม่พ้นลักษณะคอร์รล์คืออันอารีมส่รงรอบรู้ทราบไว้หมด ทำไมทราบไปหมดละ่ะเพราะถูกกาหนดไว้แล้วอันนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับการกรดกรดัตฮุกลอีมานหประการเห็นด้วว่าเนื้อหาในสซา ม, มีเกี่ยวกับการศรัทธาพี่น้องเกี่ยวกันไปหมดเลยถ้าพี่น้องปฏิเสธอยา่าง น, นาที่เหลือพังหมดเช่นปฏิเสธว่าสมมุตินะปฏิเสธว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในกีตาร์เบนูบีนไม่ได้ถูกบันทึกว่าในไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนสมมุตินะ ปฏิเสธว่าทุกอย่างอัลลอฮ์สร้างก็จริงแต่ว่าไม่ได้ถูกบันทึกถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจนจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งไม่ศรัทธาในกรดอร์กรดันอุกอิมานหายไปข้อแล้วนะนี่ตมูตัดแล้วนะพอหายไปปุ๊บสองมันก็เป็นการปฏิเสธลักษณะของอัลลอฮ์ที่บอกว่าอัลลอฮ์อาลีมอัลลอฮ์ทราบก็จริงแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในอนาคตอัลลอฮ์ไม่ทราบแลนะ้วเพราะมาเดินบันทึก อ้าวพอมาดาบันทึกแล้วมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจของลอเช่นความบังเอิญอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายอาลอร์เป็นเจ้าไม่ได้เพราะว่ามันมีลักษณะที่บกพร่องอยู่พระผูเป็นเจ้าบกพรองไม่ได้ฉะนั้นในอิสลามเวลาเขาวางเขาบอกไว้เนี่ยพี่น้องเกี่ยวยงกันหมดเลยปฏิเสธอันนี้ปุ๊บที่เหลือเจ๊งหมดเลยแค่ผมปฏิเสธอาญานี่นะหนึ่งผมปฏิเสธก้ออา่านสองผมมีปัญหาหลักับกิบรีนแล้วเอาไวดีมายังไงมาไม่ครบ อาย่านี้ไม่เชื่อเอ้าปฏิเสธมาเลยกะ น, นี่ลุกคนอิมามนไปเลยนะสามมีปัญหากับการศรัทธาต่อท่านนบีด้วยเอ้าเอาเอายาปฏิเสธอาย่านี้อายาอื่นเอาอาย่านี้ไม่เอาเอ้าสุดท้ายมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่กำหนดพังไปหมดเลยนะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะฉะนั้นสองอาย่านี้เนี่ยโดยความหมายแล้วเน้นถึงการศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะ ในเรื่องของอัสมาวสีฟาดแค่พานามหนึ่งขอเลาะคำว่าอาลีมสงรอบรู้นพี่น้องเวลาขยายความไปเร็วเยอะแยะไปหมดนอกจากนี้พึงทราบเพิดไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นปะสสตว์ทั้งหลายบนหน้าแผ่นดินจะเดินจะคางจะบินจะว่ายใน น, น้ำเนี่ยพี่น้องทำไมเอ่ยเอเลาะ อ, อยู่ในกิตาบุญหมูบีนอยู่ในการบันทึกอเลาะกำหนดไปหมดแล้วแล้วก็ให้ปัจจัยยาชีพมันด้วย อ้าวต่อมาในอายะที่เจนะครับอายะนี้มีประเด็นนิดหนึ่งในอายะที่เจเนี่ยนะครับอลัลลตรัสไว้ว่า ว, า ว, วะหุลลดีข้รักสมาวาติวันอัฟีสิตติอัยยามพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าต่างๆสมาวะาเป็นพระโอษฐ์นะครับฟ้าต่างๆวันอัลแล้วก็แผ่นดินทำไมเอ่ยฟีสิตติอัยยาม ในระยะเวลาหกวันเดี๋ยวจะมาคุยประเด็นหวันอันนี้แปลให้จบก่อนว่ากาณเอัลชูอัลัลมาและบรรลังของพระองค์นั้นทําไมเอย่ยอยู่บนน้ําองสองประเด็นนี้กับสองประเด็นใหญ่แล้วนะครับหลีย่ยปลูก่กุมไออยู่กุ้มอ่ะซาณูอัมมลาเพื่อที่จะทดสอบว่าคนใดจากหมู่พวกท่านนั้นทําไมเอย่ยจะประพฤติการงานที่ดีเยี่ยม นะวอลอินกุนต้าอินนากุมมาบาอูซูนามิมบะดินเมาและแต่าหากท่านพูดว่ามาถึงนบีมูฮัมมัดพูดบอกว่าพวกท่านผัวมุชลิกผัวมุนาฟิกเนี่ยจะถูกชุบชีวิตขึ้นมาหลังจากความตายและยากรันนั่นลยดีนะกาฟาลูคนที่ปฏิเสธก็จะบอกว่าถ้าเอาไปบอกว่าพวกคุณเวลาตายไปแล้วเนี่ยจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากความตาย กูอ่านบอกว่าคนที่ปฏิเสธก็จะพูดแน่ๆเลยเน้นด้วยนะครับพูดแน่ๆเลยว่าอินฮาดาอิลลาซฮ์ุหมูบีนไอสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันเหมือนกับสยศาสตร์เหมือนกับมายากลเหมือนกับเลขกลมันไม่จริงคนตายไปแล้วจะฟื้นมาได้ไงถ้าคนไม่ศรัทธาจะพูดแบบนี้แน่ๆกูอ่านบอกว่าลายกูรันน่ะเน้นเลยครับถ้าคนไม่ศรัทธาปุ๊บจะพูดแบบนี้แน่ๆ อันนี้เป็นความหมายรวมๆของอายะที่เจ็จากโซรูกูดมาดูรายละเอียดประเด็นที่หนึ่งครับหุวลดีคาลกัสามาวาติวันอัฟฟีสิต ต, ติอัยยามพระองค์นั้นอลัลลอ์ทำไมเอ่ยสร้างชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินฟีสิต ต, ติอัยยามในระยะเวลาหกวันประเด็นที่เกิเดขึน้นประเด็นเกิดขึ้นก็คือว่าคำว่าหกวันเนี่ย ทำให้หลายๆคนคิดว่าอาลัลลอ์สร้างโลกก่อนแล้วก็ไปสร้างฟ้าสร้างจั ก, กรวาลที่หลังซึ่งถ้าเข้าใจแบบนี้ปัจจุบันมีปัญหาเลยเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแน่ใจแล้วว่าอายุของโลกเนี่ยมันสั้นกว่าอายุของจั ก, กรวาลโลกมีระยะเวลาเท่าไหร่ที่วัดกันเนี่ยประมาณ 4,500 ล้านปี โลกเนี่ยนะโลกที่อาศัยอยู่เนี่ยแต่ว่าอายุขัยของจักรวาลเยอะกว่านั้นผมจำไม่ได้แล้วหนึ 1, 3, ่งแสนสามหมื่นก็คือจักรวาลมาก่อนแล้วก็โลกมาทีหลังวิทยาศาสตร์ว่าอย่างนั้นครั้นี้ทางฝ่ายศาสนาก็บอกว่าถ้าคนมาว่าเอเออลอสร้างหกวันก็แปลว่ามีโลกก่อนแล้วอลอก็ใช้เวลาหกวันในซันในการสร้างจักรวาลก็แปลว่า อิสลามบอกว่าโลกมาก่อนจักรวาลมาทีหลังอ้าวก็ไปขัดกับความคิงวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นประเด็นกันไปใหญ่เลยกลับมามองใหม่พี่น้องประเด็นที่สองที่อยากให้มองคือว่าคําว่าวันเนี่ยพี่น้องทราบว่าคําว่าวันแปลว่าอะไรวันก็คือก็คือวันแบบที่เราคุ้นเคยวันที่ผมกับพี่น้องคุ้นเคยคือวันในโลกนี้เนี่ยมันมียี่สิบสี่ชั่วโมงมีกลางวันแล้วก็กลางคืนวันเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นเนื่องจากโลกเนี่ย หมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบไอ้ด้านที่หาดวงที่ก็เป็นวันไอ้ด้านที่หันหลังให้ดวงที่ก็เป็นคืนครบหนึ่งรอบยีิบสี่ชั่วโมงเราเรียกว่าหนึ่งวันมาจากโลกหมุนรอบตัวเองแต่พี่น้องทราบไหมว่าในดาวดวงอื่นที่ไม่ใช่โลกเนี่ยหนึ่งวันของดาวดวงนั้นๆไม่ใช่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอา้าวเช่นอะไรบ้างมีดาวไหนบ้างเช่นดาวพุธดาวพุธเนี่ยพี่น้อง อยู่ตรงไหนล่ะใครกัเลวิยศาสตร์มากดาวพุธอยู่กล้ดวงอาทิตมากกว่าเพื่อนนะครับคร น, นี้ดาวพุธเนี่ยเวลาอยู่ใกล้วงอาทิตย์แล้วเนี่ยไอวงโครจรร อ, อบดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะไวกว่าโลกตามทันนหมเหมือนว่าเราวิ่งแข่งเนี่ยไอคนที่อยู่ลู่ในเนี่ยมันจะมันจะสั้นกว่าคร น, นี้ดาวมัเรีองงี้ดาวอดาวพุธ ด, ดาวศุกร์แล้วก็โลกแล้วก็ดองคาร์เอาก็ะไล่กันไป ครานี้ถ้าไอการที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยหนึ่งรอบก็คือก็คือหนึ่งปีเข้าใจนะโลกใช้เวลาก็จรอรอบดวงอาทิตย์หนึ่งปีก็คือสามรอยหกสิบห้าวันโลกมันอยู่ดับ น, นะดับสามท่นี้ไอดาวที่อยู่วงในเนี่ยหนึ่งปีของมันจะสั้นกว่าโลกพี่น้องเข้าใจไหมเช่นดาวพุธอยู่ในสุดเนี่ยมันวิ่งวงในหนึ่งปีของดาวพุธก็ประมาณแปดสิบแปดวัน ถาเราไปอยู่ดาวพุธเนี่ยแปสิบแปดวันครบหนึ่งปีแล้วถ้าอยู่บนดาวศุกร์มันก็ทําไมเอ่ยมันก็ใกล้กว่าโลกก็ประมาณก็บอกประมาณสองร้อยกว่าวันโลกนี่สามร้อยกว่าวันหนึ่งปีดาวศุกร์สองร้อยกว่าวันอ้าวดาวอังคารใกล้ใกล้โลกหน่อยก็เอ่ดาวอังคารหนึ่งเกือบจากโลกออกไปหน่อยเข้ามาหนึ่งปีมันก็จะกัดนานกว่าโลกหนึ่งปีมันประมาณหนึ่งปีโลกนะบวกอีกสามร้อยี่สิบวันกเกือบเกือบสองปีอันนั้นคือปี เวลาที่เราพูดเนี่ยเราบอกว่าอัลลอฮ์สร้างในเวลาหกวันในพี่น้องอธิบายเราไม่สามารถอธิบายบนความคุ้นเคยของมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ได้พอว่าเราเราบอกว่าหนึ่งปีหนึ่งปีของโลกเนี่ยใช้ได้เฉพาะของโลกใช้กับดาวดวงอื่นมาคลุกอื่นไม่ได้ปีมันต่างกันอย่างตามทันนาพี่น้องคันี้ เวลาบอกว่าหกวันเนี่ยพี่น้องไม่เด้หมายความว่าวันที่เป็น24ชั่วโมงแบบที่เราคุ้นเคยวันเกิดจากอีกทีหนึ่งโลกก็จรรอบตัวเองแต่ถ้าไปดูดาวดวงอื่นวันของดาวดวงอื่นเนี่ยไม่ใช่24ชั่วโมงเช่นไปที่ดาวพุธต่อดาวพุธเนี่ยอยู่วงในหนึ่งปีมันไวกว่าแต่หนึ่งวันเนี่ยมันนานกว่าโลกเขาบอกว่าประมาณต8วันเพราะมันไม่เคยหมุนรอบตัวเองมันแช่อ ย, อยู่เนี่ย คือโลกมัก็หมุนหมุนหมุนันก็รอวันคืนแต่ดาพูดมันแช่อยู่เนี่ยแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ไอ้ด้านที่หันหาดวงทิตมันก็ร้อนอยู่งั้นไอ้ด้านข้างหลังก็หนาวอยู่งั้นกว่ามันจะหมุนรอบตัวเองคือ88วันหนึ่งวันของโลกเท่ากับ24ชั่วโมงแต่ถ้าหนึ่งวันของดาวพุธเท่ากับ88วันเห็นไหมเวลาย้ายย้ายจากโลกไปที่ที่อื่นแล้วคำว่าวันเนี่ยมโนทัานเรื่องวันมันเปลี่ยนไปฉะนั้นเวลาตัองใชคําว่าฟีิตติไอยาม อัลลอฮ์สร้างในระยะเวลาหกวันเนี่ยไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์สร้างจักรวาล น, นี้ด้วยกับยี่สิบสี่ชั่วโมงคูณหกกี่ชั่วโมงอ่ะหกสี่ยี่สิบสี่สี่สองหกสองสิบสองร้อยสีสิบสี่ชั่วโมงแต่ผมคิดไม่ผิดนะไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์สร้างจักรวาล น, นี้ในระยะเวลาหกวันหกคูณยี่บสี่ชั่วโมงเท่ากับร้อยสีสิบสี่ชั่วโมงมันไม่ใช่ความเข้าใจแบบนั้นนอกจากนี้เนี่ยนะครับ ในอายะอื่นอลัลลอฮฺยังอธิบายถึงการสร้างจั ก, กรวาลว่าซุ ม, มัสต์วัยและสมะัมมาฮัวเฮดุคานุนพอที่อลัลลอฮฺมุ่งไปสู่ชั้นฟ้าเนี่ยสร้างชั้นฟ้าเนี่ยลักษณะมันจะเป็นกลุ่มควันอยู่เลยถ้ามองตามอายะนี้เนี่ยมาไปตรงกับลักษณะาการ ก, อก่อกำเนิดของจั ก, กรวาลซึ่งเป็นกลุ่มควันก่อนแล้วก็ควบแล้วก็เป็นแบบปัจจุบันนี้ฉะนั้นในอายะนี้ประเด็นสรุปเลยไม่ได้แปลว่า กัรอ่านบอกว่าโลกถูกสร้างก่อนจั ก, กรวาลที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับวะหุวัลละดีข้าก็มาวะติวันอัฟฟีสิท ต, ติอายามอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินในเวลาหกวันหนึ่งไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์สร้างโลกก่อนจั ก, กรวาลไม่ใช่โดยข้อได้จริงทางวิทยาศาสตร์แล้วก็โดยอายะฮ์คัมภีรเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกแบบนั้น สองคำว่าหกวันอยะให้คำว่าวันที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันมาหลอกความเขพอใจเราว่าหนึ่งวันต้องยี่สบสชั่วโมงไม่จริงเฉพาะหนึ่งวันในโลกนี้เท่านั้นที่ยี่สี่ชั่วโมงด า, ดาวพุธแปแปดวันเท่ากับหนึ่งวันดาวศุกร์เท่าไรเอยผมจดไว้เนี่ยดาวศุกร์ในสาบไม่ได้ จ, จดไว้ดาวอังคารใกล้ๆกันยี่สี่ยี่บสี่ชั่วโมงดาวพฤหัสสิบสองปีเท่ากับหนึ่งวัน กว่ามันจะหลอกตัวเองได้เอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับดาวพฤหัส 9.8 ชั่วโมงเท่ากับหนึ่งวันคือหนึ่งวันเนี่ยถ้าย้ายไปดาวดวงอื่นเนี่ยอธิบาย24ยชั่วโมงไม่ได้ฉะนั้นเอย่าให้ก่อความคิดวันหนึ่งวันคือหนึ่งวันที่เราคุ้นเคยมันมีวันแบบอื่นบนที่แบบอื่นอีกเพราะว่าถ้าแมาอธิบายแบบนี้ปัญหาเกิดขึ้นพี่น้องครับผมเนี่ยมีคนมีคนมาบอกว่าส่งไลน์มาบอกอาจารย์ ผู้นักวิยาศาสตร์เนี่ยมันหลอกเราแล้วหลอกมุสลิมแล้วมันบอกว่าจักรวาลสร้างก่อนโลกเนี่ยไม่จริงเพราะก็อ่านบอกว่าโลกสร้างก่อนจักรวาลผมก็งงว่าเอา้ากูอ่านได้บอกตรงไห น, นว่าสร้างโลกก่อนจักรวาล น, นี่ในะอาย่านี้เลยที่อัลลอฮ์บอกว่าสร้างมาใน6วันเนี่ยแปลว่ามีโลกก่อนแล้วก็6วันอัลลอฮ์ก็สร้างจักรวาล จริงไม่ใช่แบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นนะครับ น, นี้ไปกันใหญ่เลย mm hmm. กูอ่านกลายเป็นเรื่องไม่จริงไปแล้วพ่อไปขัดกับข้อที่จริงซึ่งเป็นข้อที่จริงพื้นฐานเลยซึ่งคนทราบกันแ ล, แล้วโดยหลักกูอ่านก็มาอธิบายแบบนั้นนี่คือเรื่องของวันนะพี่น้องนี่ผมยจะอธิบายต่อมันเรื่องของเรื่องมิ ต, ติเวลาอะไรแยะๆไปหมดนะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะครับต่อมาครับในส่วนที่สองของอ้อายะบอกว่าอุกกาศเอาชูฮูอัลเนมา แล้วก็บัรลังของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่บนน้ํำตอนนี้อธิบายยากคนก็นึกภาพบัรลังบางคนนึกถึงเก้าอี้อัลลอฮ์อยู่บนน้ําก่อนแปลว่าอัลลอฮ์สร้างบัรลังก่อนอยู่บนน้ําแล้วก็สร้างจักรวาลแล้วก็สร้างโลกอ้าวแล้วอันไหนมันเกิดก่อนกันเนี่ยน้ําเกิดก่อนน้ําก็อยู่ในโลกนะแล้วน้ําเกิดก่อนโลกโลกยังไม่เกิดแล้วมันจะเป็นยังไงตัวนี้ตอบไม่ได้คนรออารามเลยกูอ่านบอกแค่นี้ไม่ทราบรายละเอียด นะครับน้ำตรงนี้เป็นน้ำยังไงเราไม่ทราบเป็นน้ำที่ผมกินอยู่เนี่ยหรือว่าน้ำแบบไหนพวกเราอะลัมไม่ทราบเลยนะครับเวลาที่เราอ่านกัมภาน์เจอลักษณะาอาญาแบบนี้พี่น้องศรัทธาแต่ว่าเราจะไม่ถามถึงกายฟิยเพราะเราไปไม่ถึง 20ปี30ปีถ้าเรามีความสามารถเพิ่มขึ้นกลับมามองอายะนี้อาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นแต่วันนี้ศรัทธาเพราะว่ากูาาอ่านบอกแบบนี้บรรลังอลาล้ออยู่บนน้ําผมก็ศรัทธาแต่คนถามบรรลังอลาล้อเป็นไงตอบไม่ได้น้ําน้ําแบบไห น, นอ่ะน้ําจืดน้ําเค็มน้ําคลองน้ําทะเลตอบไม่ได้ศรัทธาทัติโกอ่านบอกเลื่องกายฟียะเรื่องรายละเอียดตอบไม่ได้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้ขอความเข้าใจของมนุษย์มันอยู่เท่านี้ แต่ก่อนน่ยพี่น้องพูดถึงเวลากลับมาที่เมื่อกี้ที่บอกว่า6วันพอพูดถึง6วันด้วยความเข้าใจคนสมัยก่อน6วันก็คือวันละยีิบสี่ชั่วโมงวันนี้เราเข้าใจเพิ่มแล้วว่าวันยีิบสชั่วโมงใช้ได้เฉพาะโลกนี้เท่านั้นมาถึงโลกโลกเ อ, อิร์ทเนี่ยโลกนี้เท่านั้นดาวดวงอื่นใช้ระบบนี้ไม่ได้นอกจากนี้ในช่วงการสร้างจักรวาลเนี่ยนี่ผมจะพูดลึกแล้วเนี่ยในการช่วงในการสร้างจักรวาลเนี่ย มิติของเวลาและก็สถานที่เนี่ยมันบิดเบี้ยวไปหมดคือเวลาปัจจุบันไม่สามารถไปวัดตรงนั้นได้เราไปอ่านงานพวกฟิสิกส์ดูการกาเนิดจักรวาลช่วงที่มันบิ๊กแบงที่มันกว่าที่มันจะระเบิดออกมาเนี่ยช่วงนั้นเวลามันจะมันไม่ใช่เวลาแบบปัจจุบันนะครับผมพูดแค่นี้ละกันไปอ่านเองฉะนั้นเวลาที่เรามีความเข้าใจทางโลกมากขึ้นทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเวลากับมามองอายะห์กูอ่านเราจะมีความเข้าใจมากขึ้น แต่ตอนนี้เท่าที่ผมคนดูเนี่ยการอัชูฮุอัลัมมานักตักซีก็มาอธิบา ย, ล, ย ล, ลึกไปกว่านั้นเขาก็กลวกัวเหมือนกันว่าอธิบายไปแบบนี้แล้วเอา้าความจริงปรากฏมาไม่ใช่ศรัทธาเท่าที่คว่รในศรัทธาเรื่องรายละเอียดยังไม่สร้นะครับต่อมาคนอธิบายว่าเช่นแต่ว่าน้ําเกิดก่อนแต่อย่างงั้นแหละนะครับเดี๋ยวก็ลงรายละเอียดไปกันใหญ่ก็ตอบไม่ได้ไหนใครตอบได้ก็ตอบได้แต่ผมตอบไม่ได้นะครับอา้าวแล้วที่สร้างมาเนี่ยสร้างมาทําไม อ๋อเราบอกว่าเหลี่ยบลูอ่กุ้มไออยู่กุ้มอัสนูอามาลาที่สร้างมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทดสอบ พ, พวกท่านใครเป็นคนที่กระทําการงานดีที่สุดที่บอกว่าสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างสิ่งที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ย mm hmm. เพื่อเป็นการทดสอบพี่น้องพว่าใครจะทําดีมากที่สุดเกี mm hmm. ่ยวยังไง อโลสร้างชั้นฟ้าแผ่นดิกเกี่ยวอะไรการทดสอบมนุษย์เกี่ยวพี่น้องเพราะสิ่งที่อโลสร้างมาเนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์เวลาที่เอามาใช้ประโยชน์เนี่ยมันทดสอบนะพี่นอ้องอโละสร้างที่ดินให้พี่น้องพี่น้องปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดสอบอยังไงละ่ะพอถึงลิซกีมันเยอะแล้วมันมีสากาศนี่ทดสอบแล้วจายไม่จ่ายอ้าวทดสอบหรือว่า ที่อัลลอฮ์สร้างปัจจัยยังชีพผมมีงานทําพี่น้องมีงานทําทมีรายได้พอมาทดสอบแล้วนอกจากสการแล้วทดสอบแล้วสาาุลต่านก็่ายไม่สาการนับพุทธวายิปแต่สุลตกานเนี่ยไม่ได้มาคับนะแต่จะให้ไหมอ้าวจะบัคคีนไหมทุอย่างที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเป็นการทดสอบผมกับพี่น้องก็อยู่ในการทดสอบภายใต้สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการที่จะดูว่าใครกันล่ะที่เป็นผู้ที่ประพฤติดีที่สุด ทุกอย่างรอบตัวเป็นการทดสอบบ้านนเป็นแบบนี้อา้าวนะครับห้องน้ําเป็นแบบนี้ในบ้านเคยละหมาดไหมบ้านอยู่ตรงนี้ไกลกับมัสยิดประมาณยี่สิบเกเคยเดินไปมัสยิดไหมอา้าวเป็นการทดสอบอีกอะไรละ่ะทุกอย่างเปนการทดสอบเลยพี่น้องดูว่ามนุษย์เวลาเกิดขึ้นแล้วปัจจัยอาชีพิตที่เราสร้างมาแล้วใช้ประโยชน์ยังไงทดสอบยังไงในยา น, น้ตัดต่อไปว่าหัวละอินกุนต้า อินนากุมมาบอุซูน่มินบาดินมาช์ถ้าหากว่าท่านมาถึงนบิมมอมันเนี่ยบอกว่าอินนากุมมาบอุซูน่มินบาดินมาช์บอกกับผู้ที่ไม่ศรัทธานะบอกว่าพวกคุณเนี่ยจะถูกชุบชีวิตขึ้นมาหลังจากความตายถ้าพูดแบบนี้นะมุสลิมศรัทธามุสลิมศรัทธาเชื่อว่าผมก็ไปน้องตายไปแล้วนี่ไปจบมีวันเกียร์ไหม อยู่ในกฏสัทธาข้อที่ห้าฟื้นขึ้นชื่อขึ้นมามาประกอบการทุ่มาชัดแล้วก็ตัดสินกันนอนสวรรค์ในนรกกันไปเชื่อว่าตายแล้วไม่จบแต่ถ้าไปพูดแบบนี้กับผู้ที่ไม่ศรัทธานะ้นกูอ่านฟันธงไว้เลยว่าละยักูนนลันนาลันนาตรง น, ตนี้ตัวนูนเนี่ยทางภาษาแต่ว่าเน้นแป่ว่าพวนําจะพูดแบบนี้แน่และยักูนนลันนัลละดีนักฟารูคนที่ปฏิเสธเนี่ยจะพูดแน่ ไม่ใช่จะพูดธรรมดาจะพูดแน่ๆว่าอินฮาดาอิลลาซฮฮุโมบินที่บอกว่าตายแล้วฟื้นคืนชีพเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องเหลวไหลเป็นแค่มายากรเป็นแค่าศาสตร์ศาตร์เป็นอะไรที่ไม่จริงไม่เชื่อในการฟื้นคืนชีพอ่าอันนี้เอเล็กก็เล่าให้ฟังว่าเอกว่าคนที่ถ้าบิณน้องไม่เชื่อในการฟื้นคืนชีพนะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสมมุติเอาผมกับบิณน้องเป็นมุสลิมดีทุกอย่างเลยแต่ว่า ติดอย่อย่างเดียวไม่เชื่อมนุษย์จะถูกฟื้นคืนชีพจะเป็นยังไงผมไม่ละหมาดละหมาดทำไมไม่ฟื้นคืนชีพผลบุญไม่มีสวรรค์นรกไม่มีก็มันต้องทํากันทาไมฟื้นคืนชีพเนี่ยการงานความดีทั้งหมดผู้ศรัทธาไม่ต้องทําแล้วเพราะทําไมละ่ะพระตายไปแล้วจบก็แปลว่ามันมีการตอบแทนก็จะส่งผลต่อหลักความเชื่อที่เหลือหมดเลยฉะนั้นเรื่องวันเกียาารติสําคัญมากจนกระทั่งว่าเขาเอาไว้ในข้อผลอิมานข้อที่5จําเป็นต้องศรัทธา ถ้าศรัทธาข้ออื่นหมดโยเว้นข้อนี้ขึ้นมาก็ถือว่าพ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับคนที่จะเป็นมุสลิมใหม่ต้องศรัทธานั้นในวันสิ้นโลกถ้ายังไม่ศรัทธาใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งเป็นมุสลิมศึกษาก่อ น, นพอศรัทธาแล้วก็มาเป็นมุสลิมไม่ต้องมาขับกันอันนี้คือสามอายะนะครับในช่วงท้ายของเวลาผมทวนอีกครั้งหนึ่งในอายะที่ห้าเนี่ยพูดถึง เขาเรียกว่าอัสมาวสิฟาตพระนามแล้วก็คุณลักษณะข้อนละพระนามหนึ่งจะเรียกคำ ว, ว่าอาลีมเป็นผู้ที่รอบรู้เป็นพระนามด้วยแล้วก็เป็นลักษณะด้วยรอบรู้ตรงนี้พี่น้องครับรอบรู้แบบแบบสมบูรณ์ผมก็มีความรู้พี่น้องก็มีความรู้แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบบอลล็อตสมบูรณ์แบบไหนละ่ะบิลาติสูดูสิ่งที่อยู่ในหัวอกสิ่งที่เอาอะไรมาปิดไว้ คนอื่นไม่ทราบแล้วมีข้อจำกัดแต่อัลลอฮ์ทราบจริงๆอยายะนี้เป็นการตอบโต้มาดามุชริกีนด้วยซึ่งบางคนวางแผนไว้หลบไปอยู่ในบ้านแล้วปรึกษากับพวกพันธมิตรตัวเองจะทำลายอิสลามอัลลอ์ทราบไหมอลอไม่ทราบถ้าพูดเบาๆพูดกันแค่ในวงอัลลอ์ไม่ทราบอัลลอ์บอกอัลลอ์ทราบหมดแลลวนะครับในอยายะที่หกอัลลอ์พูดถึงเขาเรียกว่า เออนอกจากการสร้างแล้วเนี่ยการดูแลสิ่งต่างๆจะเป็นคนจะเป็นสัตว์กด็ดีปัจจัยยังชีพฟีกิตาบุญมูบี น, บนอลัลลอฮมันทึกไว้แล้วทินที่อยู่อาศัยมุสตะฮะฮะอมุสตาดะฮคันเบสัตว์บางชนิดมีคันอยู่ในท้องบางชนิดมีไข่มาถึงไอ้ที่พำ น, นักชัว่วคาวงมันเนี่ย ที่อยู่นานๆคือโลกแต่ที่อยู่ชั่วคราวคือคือไข่นึกภาพออกไหมลูกเจี๊ยบอยู่ในไข่ก่อนมุสตาอดาชั่วคราวกี่วันมันก็ไม่ทราบเราไข่ไก่เวลาฟักเนี่ยหลังจากนั้นก็ออกจากมุสตาดามาเป็นมุสตะกะรอมาอยู่ที่ที่พมนักขาวบอลตรงนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ทราบไหมอัลลอฮ์กระทราบอย่าว่าแต่สิ่งมีชีวิตเลยก่อนที่จะสิ่งมีชีวิตจะออกมาดึมตาดูโลกอัลลอฮ์กรทราบวายะละมูมุสตะกเรอฮามุสตาอ์ดาอาหา ทุกอย่างนี้คุณลุนฟีกิตาบุญมูบินอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งก็คือเราเห็นมาร์คูกําหนดไว้หมดฉะนั้นผู้ที่เป็นศรัทธาผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ย เ, เราไม่เชื่อในสิ่งบังเอิญถูกกาหนดโดยพระผู้เป็นเจ้าเป็นหลักศรัทธากฎที่6กกอดอวันกอนดัดต่อมาอายะที่เจนะครับเมื่อกี้อธิบายใชา้เวลานิดหนึ่งก็คือว่าววัลลาดีข้อกัสมาวตุวันอัลฟีซิตตติอายามอัลลอฮฺสร้างฉันฟาและแผ่นดินในระยะเวลาหวัน เราไม่ทราบว่าหกวันในกาุานในที่นี้ความมาจริงๆคือระยะเวลาแบบไหนเฉพาะคำว่าวันเนี่ยก็ไม่ใช่วันย4ิบสี่ชั่วโมงอย่างเดียวมันมีวันแบบอื่นในที่แบบอื่นอีกนอกจากนี้ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างเนี่ยพี่น้องเขาเรียกว่า p a ป e กับ t ท m e เขาเรียกอะไรล่ะการกับสปเขาเรียกอะไรนะฮะมิติเออคือโลกนี้นะีพี่น้อง คุยหน่อยกันเล ย, ยแล้วที่เราเห็นเนี่ยพี่น้องอันนี้นีค่คือคือถ้าแบบเนี่ยมิติเดียวอันนี้คือเส้นมิติเดียวอันนี้สองมิติกว้างกับยาวอันนี้สามมิติกว้างยาวแล้วก็มีลึกอ่านึกออกไหมแต่ว่าในจักรวาลที่สร้างเนี่ยมันมีที่เราเห็นเนี่ยมีสีมิติกว้างยาวลึกแล้วก็มิติของเวลาซึ่งมันเกี่ยวข้องกัน อันนี้วัตถุกับเวลาเนี่ยก็ถือว่ามันเกี่ยวข้องกันในการสร้างครั้งแรกเนี่ยมิติกับเวลามันกระจุกโดยกันก่อนที่จะระเบิดออกมาตรงนั้นเวลาไม่ได้เป็นแบบปัจจุบันนี้ความเร็วความช้ามันเป็นลักษณะแบบสัมพัสไม่ได้ตายตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของวิเศ์ผมไม่ลงมากันแต่ว่าอาย่านี้ไม่ได้บอกว่าอาลัลลอฮ์สร้างโลกก่อนจากอว่า น, นะครับแล้วก็ไม่ใช่อลัลลอฮ์สร้างโลกในหก วันก็คือยี่สิี่ชั่วโมงคูณหกตอกับร้อยสิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่นะต่อมาเอเลออธิบายไปว่าวาการเอเลชูอัลัมมาบางลังของพระ อ, องค์อยู่บนน้ําไม่ทราบรายละเอียดเป็นยังไงก็ไม่ทราบเข้าใจศรัทธาแค่นี้แล้วเอเลอบอกแบบนี้ผมก็ศรัทธาแบบนี้รายละเอียดไม่ทราบน้ําแบบไหนไม่ทราบนะครับอยู่เป็นยังไงมันลอยใช่ไหมหรือว่ามันอยู่ปิมปิมมันจมไปนิดนึงควรรออาลัมเรื่องกายฟิยะตรงนี้ไม่ทราบ ทุกสั้ทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาเนี่ยทำไมเอย่ยลีบรั้วกุมอายุกุมอัสนูอามาลาเพื่อที่จะทดสอบว่าพวกท่านนั้นใครจะเขาเรียกว่าการทําการงานที่ดีที่สุดสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาผมก็ไปต้องใช้ประโยชน์กันหมดแหละพื้นดินทอร์ล่อนเนี่ยใช้ประโยชน์ไหมเดินอยู่ทุกวันไม่ใช้แต่ไงทดสอบเนเดินไปไหนที่เดินได้เดินทุกวันโดยเป็นดินทอร์ล่อนเนี่ยเดินไปไหนไปมัสยิดหรือว่าเดินไปบ่อน เราใช้ประโยชน์ตรงนี้หมดนะครับเป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺวะลยอินกุนตาอินนั ก, กุมมาบอุซูนามินบัดินเมาตอัลลอฮฺบอกว่าถ้าให้ท่านอบีเนี่ยไปพูดบอกว่าพวกท่านคือผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธานเนี่ยจะถูกฟื้นคืนชีพหลังจากความตายตายไปแล้วฟื้นในมายครั้งหนึ่งเนี่ยพวนั้นจะเชื่อไหมไม่เชื่อและยกละกรันนั่นละดีนะกะฟารูคนที่ปฏิเสธจะพูดแน่ๆว่า อินฮาดาอิลลาเซอมูบินทำไมเอ่ยที่พูดมาเนี่ยตายละเฟินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไรสาระไม่ใช่ความจริงเป็นไสยศาสตร์เป็นมายากรคือไม่ใช่ของจริงกันแล้วกันฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นข้อแตกต่างที่สําคัญประการหนึ่งระหว่างผู้ที่ศรัทธากับผู้ที่ไม่ศรัทธาก็คือการศรัทธาในวันกิยามาคนที่ศรัทธาไม่ศรัทธามันที่เหมือนกัน ใจดีเหมือนการพูดเพราะเหมือนการแต่งตัวเหมือนกันแต่ว่าประเด็นหนึ่งค่อนข้างที่จะต่างกันก้ออ่านบอกไว้คือการเชื่อในวันเกียรมาเชื่อไม่ตายแล้วไม่จบไม่เชื่อเชื่อไหมว่าะจะวันเกียรมาซึ่งมนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วถูกตัดสินไม่เชื่อบางคนเชื่อว่าตายแล้วไม่จบแต่เชื่อว่ามีชาติต่อไปเวียนว่ายแต่เกิดก็เป็นความเชื่อของเขาแต่ว่าถ้ามาเทียบกับผู้ศรัทธาแล้วมันจะต่างกันชาติหน้า มันไม่ได้ชาติที่จะไปสะสมบุญใหม่ชาติหน้าที่เราเชื่อนี่คือคือโลกแห่งการตัดสินแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ตลอดไปเป็นเส้นตรงแต่บางความเชื่อก็เป็นวงกลมไงชาตินี่เอาทำบุญดีก็เป็นชาติหน้าชาติหน้าชาตินึ่งชาตินี้ชาติหน้าก็เวียนว่ายแต่เกิดก็เป็นความเชื่อเขาไม่ได้ดูถูกอะไรแต่ต้องการจะบอกว่าต่างจากความเชื่อของของผู้ศรัทธานะครับวันนี้ผมฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้ครับบินไลท์ดาอฟรีคนที่ด้ยาอัสสลามูอะลัยกุมุลลาฮฺอุลลอฮีกอเบราะกาตุ